ชายชาราจอมเครียวกราดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองโมวามีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าคุณเรแต่เขาไม่มีแสงสว่างที่สองประกายเหมือนชื่อของเขาเลยเขามักจะ บ, บ่นเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและตำหนิทุกๆคน ร, บรอบๆตัวเขาแต่ไม่เคยที่จะโทษตัวเองเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังจะออกจากบ้านไปเดินเล่น <c oughs> เขาได้ยินเสียงเพื่อนบ้าน <c oughs> คุณหญิงคลายตะโกนใส่มาของเธอทำไมแกไม่ปล่อยให้ฉันทำงานบ้างให้ฉันได้ทำความสะอาดบ้านเธอะทั่วยหยุดได้ไหมคุณหญิงแกเอาตะกรีตดร้องแหกปาตลอดเวลาฉันนอนไม่หลับทั้งคืนกับเสียงดังตลอดเวลาของคุณนะรู้ไหม <c oughs> คุณเรออกจากบ้านด้วยความโมโหไปที่สวนสาธารณะ เมื่อเขาไปถึงสวนสาธารณะเขาก็ไปนั่งที่มานั่งตัวโปรดของเขาและหยิบหนังสือพิมพ์ออกมาเขาบ่นเพื่มพามแล้วกางมันออกในที่สุดก็พบที่สงบสักทีนะในขณะที่เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์เขาได้ยินบางคนเรียกเออขอโทษนะครับเมื่อเขาลดระดับหนังสือพิมพ์ลงเขาพบกับเด็กชายตัวเล็กอยู่ตรงหน้าเขาเขามีชื่อว่าทิมมีอะไรเหรอขอโทษนะครับท่าน ท่านช่วยกรุณาซื้อคุกกี้จากผมได้ไหมฟังนะเจ้าหนูท่านมีวันที่แย่มากๆแล้วในโปรดอย่าให้มันต้องแย่ไปกว่านี้อีกเลยท่านครับแค่กล่องเดียวได้โปรดละอันเดียวท่านก็ไม่อยากจะกินไปซะเถอะนาทิมตัวน้อยวิ่งหนีไปคุณเรลุกจากม้านั่งและไปที่ลานน้ำพุ ไมไม่มีใครเป็นแบบฉันกันเลยนะทำไมพวกเขาต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยมันน่ารำคาญท่านใดนั้นข้างหลังน้ำพุชายหนุ่มในชุดขาวได้เดินมาหาเขาทำไมฉันจะขออยู่คนเดียวบ้างไม่ได้หรื อ, อยังไงกันทำไมกันเนี่ยใจเย็นก่อนครับคุณเร่ผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณนะครับโอ้นายเป็นใครกัน แล้รู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะผมชื่อแองเจอร์แห่งการสำนึกผิดเรียกผมว่าแองจี้ก็ได้นะแองเจแห่งอะไรนะนี่นายหลุดมาจากโรงละครหรือยังไงเอาไปให้พ้นทางฉันเลยไปชายคนนี้เป็นเทวดาจริงๆและเขาพิสูจน์โดยการใช้มือของเขาเสกรองเท้าบูสีเงินที่สวยงามคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในอากาศคุณเรช็อกเป็นอย่างมากอะไรนี่ โอ้พระเจ้านายเป็นเทวดาจริงๆใช่แล้วครับตามที่พูดและผมมาเพื่อช่วยคุณนะครับแล้วจะช่วยยังไงล่ะงั้นเออคุณเอารองเท้านี่ไปเมื่อไหรที่คุณโกรธใครสักคนและหวังว่าพวกเขาจะทำตัวฉลาดขึ้นก็สวมมันไว้บูทนี้จะพาคุณไปสำรวจชีวิตเขาและพาคุณไปอยู่ในจุดเดียวกับพวกเขาถ้าคุณทำตัวฉลาดพอ คุณจะได้รับค่าตอบแทนเป็นทองเงินและเพชรจำนวนมากหรือจะกล่าวก็คือบูธนี้จะพาคุณไปอยู่ในร่างของคนอื่นนะครับความคิดเรื่องเงินทองคําและเพชรล่อลวงเขาทำให้เขาตอบรับในทันทีแต่ว่าจำเอาไว้นะครับหากถึงจุดที่คุณรู้ตัวว่าคุณเป็นฝ่ายผิดบูธนี้จะพาคุณกลับมาอยู่ในร่างของคุณเองฉันเป็นคนผิดงั้นล้วไม่มีวันนะงั้นก็ดีนะครับ เมื่อพูดจบเทวดาก็หายตัวไปคุณเรหยิบบูธมาและกลับบ้านวันต่อมาเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาได้ยินเสียงครีดร้องของเพื่อนบ้านยิงชระคลายนั่นเองทำไมแกไม่ปล่อยให้ฉันทำงานบ้านของฉันบ้างเทวดาคาได้โปรดละให้ฉันทำความสะอาดบ้านด้วยเถอะไม่ได้ยินเสียงครีดของเธอคุณเรกรวดมากและเขาจำได้เกี่ยวกับรองเท้าสีเงินคู่นั้น เขาสวมมันและขณะที่ผูกเชือกเส้นสุดท้ายเสร็จเขาตื่นขึ้นมาในบ้านของคุณคลายว้าวมันได้ผลจริงๆด้วยทันใดนั้น <c oughs> เจ้าหมาก็เริ่มเข้ามาเล่นกับเธอออกไปจากฉันอเมื่อพ้นจากเจ้าหมาเธอก็ตรงเข้าไปในห้องครัวโอ้ฉันหิวมากเลยมาดูกันว่ายิงแก่จะมีอะไรอยู่ในครัวบา้างเธอพบกับถุงทั่ว โอ้ถัว่วงั้นฉันจะทํากับข้าวเดี๋ยวนี้ละ่ะขณะที่เธอกําลังเทถั่วใส่ชามเธอรู้เลยว่าเจ้าหมากําลังดึงชุดของเธออะไรเนี่ยออกไปซะแต่เจ้าหมาไม่ยอมฟังมันเกาะติดกับชุดของเธอและทันใดนั้นห้วยถั่วได้ลื่นหลุดจากมือของเธอหล่นลงบนพื้นนั่นทําให้เธอโกรธมากและเธอได้ร้องออกมาเสียงดัง ทำไมแกไม่ปล่อยให้ฉันได้ทำกับข้าวบ้างเทวดาทรงโปรดปล่อยให้ฉันได้ทำอาหารด้วยเถอะฉันหิวมากเลยและขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงของตัวเขาดังมาจากบ้านข้างๆช่วยหยุดได้ไหมคุณหญิงแกเอาตะกรีดร้องแหกปางตลอดเวลาฉัานเน่ยนอนไม่หลับทั้งคืนกับเสียงดังตลอดเวลาของคุณเธอเปิดตากว้างด้วยความสานึกได้และไม่กี่วินาทีต่อมา คุณเรก็ได้กลับมายังบ้านของเขามีน้ำตาไหลออกมาจากตาของเขาเขาซับมันโดยทันทีไม่ไม่ท่านไม่ผิดเพวดานั่นล่ะที่แกล้งทันเนะพูดเสร็จเขาก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาสวมรองเท้าบั ว, วสีเงินคู่นั้นอยู่เมื่อเขามายังสวนสาธารณะเขานั่งอยู่ที่จุดเดิมกางหนังสือพิมพ์ออกและเมื่อเขาได้ยินเสียงของทีมอนะีกครั้งขอโทษนะครับท่าน ได้โปรดซื้อคุกกี้ของคมสักกล่องนะครับได้โปรดท่านไม่ซื้อชั่วพริบตาคุณเรได้กลายเป็นทิมตื่นได้แล้วทิมเขาลืมตาขึ้นและมองเห็นผู้หญิงที่ซีดเซียวมากออกไปขายคุกกี้ได้แล้วนะลูกรัก <c oughs> วันนี้แม่คงไปไม่ไหวแล้วล่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเลย นอกจากจ้องมองเธอเร็วเร็วลูกขายคุกกี้ให้ได้นะเราจะต้องมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านภายในวันนี้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มี <c oughs> ที่อยู่และนี่ทำให้น้ำตาของเขาไหลเมื่อสำนึกได้ว่าเขาผิดอีกครั้งภายในไม่กี่วินาที เขาก็กลับมายังส่วนสาธารณะและนั่งอยู่บนม้านั่งใบหน้าของเขาสั่นเทาและมีน้ําตาไหลาอาบแก้มเขามองเห็นทิมตัวน้อยกําลังเดินคอตกจากไปและเขาได้วิ่งตามทิมเฮ้เ่ hey, hey. เจ้าหนุ่มรอเดี๋ยวก่อนเมื่อทิมหันกลับมาคุณเรย่อตัวลงและโน้มตัวลงกอดเขาฉันขอโทษนะเจ้าหนูไม่เป็นไรครับคุณไม่ชอบกุกกี้นี่นะ โอ้ท่นรักคุกกี้เอามาให้หมดนั่นน่ะละท่านเมาหมดเลยและนั่นจะทําให้นายนะีเงินพอใช้ไปทั้งเดือนเลยเอาเงินนี่ไปแล้วพรุ่งนี้เอาคุกกี้มาให้ฉันอีกทิมน้อยดีใจมากและหอมแก้มเขาหลังจากนั้นจึงมอบคุกกี้ทั้งหมดให้เขาภายในวันนั้นคุณเรได้ไปที่บ้านของคุณคลายและมอบคุกกี้ทั้งหมดให้กับเธอโอ้ อะไรจะทดแทนทั้งหมดนี้ได้เนี่ยโอ้แค่อยากจะบอกว่าฉันน่ะไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ดีเท่าไรแต่ว่านี่เขาเป็นการขอโทษ น, นะคุณช่างใจดีมากเลยคุณเรโอ้นี่มันเพิ่งเริ่มต้นนะด้วยเหตุ น, นี้ทำให้คุณเรที่เคยเป็นคนขี้โมโหมากกลายเป็นชายที่มีเมตตาและมีน้ำใจต่อคนอื่นเขาไม่เคยตะวาดใส่ใครอีกเลย ทีมและเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและสำหรับรองเท้าบูทคู่นั้นเขาเก็บมันไว้ในห้องนั่งเล่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและหากจะตัดสินใจใครเราควรก้าวเข้าไปดูชีวิตของเขาก่อน